พูดถึงในเรื่องของสภาสวะสูตรหรือสภภาสวะสังวรสูตรช่วงเช้าก็พูดถึงในเรื่องของอัตตาณ ต, ตาเยอะเลยนะทีนี้ก่อนที่ยาผ่านตรงนี้ไปก็ทบทวนนิดนึงทบทวนก็คือว่าปัจจุบันนียเกิดความสับสนเกิดขึ้นในการใช้ศัพท์ ที่มีความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องตัวตนและการยึดถือตัวตนซึ่งเห็นว่าควรจะนำมาชี้แจงนะก็คือคำว่าอัตตากับคำว่ามันนะทีนี้อัตตาเนี่ยเป็นคำบาลีรูปสันสกริตเป็นอัตมันข้าแปลว่าตนตัวหรือตัวต น, นในคำสอนจะใช้คาว่าตัวตนเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยไม่มีอยู่จริง เนะี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสารนั้นะ ส, มสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยทีนี้เมื่อไม่มีอยู่จริงเป็นสมมุติขึ้นเพื่อการสื่อสารเพื่อความหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยในขณะที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยในการใช้ชีวิตประจำวนันเกี่ยวข้องกันก็จะต้องมีการสมมุติหรือมีการบัญญัติขึ้นตั้งขึ้นสําหรับเรียกหน่วยองรวมหรือภาพ รวมหนึ่งหนึ่งเนี่ยอัตตานี้จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อคนเกิดไปหลงผิดไปยึดถือขึ้นมาว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือเป็นตัวตนจริงๆเรียกว่าไม่รู้เท่าทานความเป็นจริงหรือที่เราเรียกกันว่าหลงสมมุติเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามาหลงกันอยนั้นในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตตานี้เพิ่งทราบว่าอัตตาเนี่ยไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สิ่งที่จะต้องละใช่ไหม คำว่าตัวตนเป็นเรื่องสมมุติเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องตัวตนเนี่ยนี่ของฉันนี่ของเธอเนี่ยอัตตามันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีอัตตาที่ไหนที่ใครจะต้องไปละไม่เกี่ยวอัตตามันมีอยู่เพียงในความยึดถือสิ่งที่จะต้องทําก็มีเพียงการรู้เท่าทันการใช้ปัญญาที่เข้าไปรู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอัตตามันไม่เป็นอัตตาอย่างที่เรียวกว่ารู้ทันสมมุติเท่านั้น ถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือละความยึดถือในอัตตาและละความยึดถือว่าเป็นอัตตาเนี่ยก็ถอนก็หลงความหลงผิดในภาพของอัตตาเสียหรือในบัญญัติแห่งอัตตาเสียเท่านั้นแหละเรื่องอัตตาและการปฏิบัติต่ อ, อตาในความหมายนี้ทั่วๆไปก็มีเพียงเท่านี้แหละฉะนั้นในเรื่องของอัตตาเนี่ยมันเป็นบัญญัติขึ้นมาในเรื่องของตัวตนแต่มันมีปัญหาตรงที่ไอ้ตัวทิฏฐิไอ้ตัวเข้าไปเห็นเนี่ย พอไปหลงขึ้นมาไปเห็นว่ามีอยู่จริงไอ้ตัวกิเลสนี่แหละที่เข้าไปยึดเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาไอ้ตัวอัตตาสมมุติกันขึ้นเขาไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีทีนี้อีกความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือในการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนไหนได้ยกในสุตตานิบาตขึ้นมาอ้างที่ใช้คําว่าอัตตาที่คู่กับคําว่าริชนิรัตราเนี่ยหรืออัตตัง ค, คู่กับนิรัตตังเนี่ย อัตตาในกรณีนี้ออกไปว่าหมายถึงว่าการยึดถือในอัตตา น, นี่ยการยึดถือมีอัตตาอีกในหนึ่งก็ยึดถือที่คู่กับว่านิรัตตาซึ่หมายความว่าไม่มีอัตตาเนี่ยการยึดถือไปเห็นว่าอัตตานิขาดศูนย์เนี่ยก็เลยกลยกายเป็นไปมาๆก็เลยกลายเป็นในความหมายตรงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องสื่อภาษากันไปก็เลยปล่อยนี่เป็นปัญหาแล้วที่นี่ขยายเกินสาบก็คือมุ่งเน้นที่ทิฏฐิ อันจะแก่ความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตาที่เรียกว่าอัตตาทิฐิสัพพะที่ท่านใช้กันนะอัตานุทิฏฐิคือาการตามเห็นว่าเป็นอัตานี่แหละเชื่อว่ามีตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแ ก, น, น, แกนถาวรที่เรียกว่าสัจสตาทิฐิก็เป็นความเห็นความยึดถือว่าเที่ยงไปในมหานิเทศหรือในจุรานิเทศจะอธิบายในเรื่องนี้ว่าเยอะคําว่าอัตตาอัตตังเนี่ยอัตตาทิฏฐิหรือสัจสตาทิฐิความเห็นว่าเป็นว่าเที่ยงเนี่ย ในอัตตาในที่นี้หมายถึงตัวทิฏฐิอันนี้เป็นกิเลสแล้วทีนี้ทิฏฐิต่ออัตตาหรือทิฏฐิว่ามีอัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องละฉะนั้นในสุตตานิบาตจึงมีข้อความบาลีเนี่ยถึงการละอัตตาผู้ละอัตตาที่ใช้ภาษาว่าอัตตันเชโโหละอัตตาก็คืออัตาทิฏฐินี่แหละนีแล้วยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนหนึ่งแตก ตางหาก็คือว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นการถือว่าตัวตนหรือเป็นตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเห็นตัวตนเป็นของถาวรเป็นต้นเหล่านี้นะลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวตนอีกอย่างหนึ่งนีก็หมายถึงว่าเป็นการเทียบเคียงระหว่างตัวเองกับคนอื่นพอมีการเทียบเคียงเรากับคนอื่นขึ้นมาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันกลายเป็นกิเลสตัวหนึ่งยกตนชูตนเปรียบเทียบตนนี้ เห็นไหมมันแค่ไม่ไดกลายเป็นมานะหรือก็แปลว่าถือตนคือการทนลงตนเนี่ยสำคัญตัวตนเองสูงบ้างต่ําบ้างเด่นบ้างเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียมเนี่ยความรู้สึกในกรณีการเปรียบเทียบขึ้นมาก็เลยกลายเป็นมานะที่มานะเนี่ยมานะเนี่ยในทางภาษาไทยกลับกลายเป็นเอาไปเรียกคําว่าเป็นความเพียรพยายามไป ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ดีจริงๆไม่ใช่ในความหมายเดิมๆเขาเนี่ยมานะหรือสิ่งที่ศึกษากในธรรมะมานะกลายเป็นความเยื่อยิงถือตัวทิฏฐิเนี่ยจะเป็นวิชาทิฏฐีขับเน้นไปที่ตัวทิฏฐิตัวนีก้ก็กลายเป็นกิเลสทั้งคู่เลยนะอัตตาและมานะเป็นศับที่เกี่ยวกับตัวตนและยึดถือตัวต น, นพอมาใช้ในภาษาไทยขึ้นมาเลยกลายเป็นว่ามันใช้เพี้ยนเป็นการใช้เพี้ยน ไปไปม า, มานะแปลว่าอะไรแปลว่าขยันแปลว่าภาคเพียนเลยไปไปมาก็เลยกลายเป็นไปเข้าใจความหมายนี้ผิดไปอ้าวแนี้สรุปใจความตรงนี้คืออัตตาเนี่ยเป็นปัญหาของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้เนาะว่าจริงหรือเท็จมีจริงหรือไม่เป็นเรื่องของสภาวะหรือสภาพความเป็นจริงที่ต้องรู้และเข้าใจถ้าไม่รู้ถึงสภาวะที่แท้ก็เกิดปัญนะมันก็เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดว่ามีตัวตนมีอัตตาจริงๆก็เป็นที่ถีตขึ้นมา จึงเป็นปัญหาของปัญญาก็จะต้องแก้แก้ไขด้วยปัญญาหน้าที่ของเราก็เพียงว่าพัฒนาฝึกฝนปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อพัฒนาฝึกฝนปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไปทำความเข้าใจถูกต้องก็จะสามารถละอัตตาความเป็นตัวเป็นตนได้เพราะจริงๆมันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วถ้านะปัญญาไปรู้ความเป็นจริงเสียก็เลยไปละทิฐิได้นะ เรว่าเป็นปัญหาของปัญญางั้นต้องแก้ด้วยปัญญาหน้าที่ของเราก็รู้และเข้าใจคือรู้ความจริงพอเกิดปัญญารู้ความถูกต้องตามความเป็นจริงพวกอัตตาไม่มีอยู่จริงก็มีแค่สมมุติสิ่งทั้งฟวงก็เป็นอานาตาไม่มีอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาเรื่องก็เลยจบที่นี่มานะนี่เป็นปัญหาของจิตใจนะเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเรียกว่ากิเลสเป็นอาการของจิตมุ่งในการที่จะถือตัวถูตนเนี่ยนะยกตน จะกดเขาลงมัวหมองกดดันหนักเครียดขัดแยง้งแบ่งแยกถ้าให้ตัวป่องหรือตัวพองโตขึ้นมาเนี่ยไม่โลง่งไม่โปร่งไม่เบาสบายเป็นอาการของจิตที่จะต้องแก้ไขไถถอนหน้าที่ของเราก็คือการพัฒนาจิตพยายามเลิกละกิเลสนะกำจัดมันเสียหัดเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้เกียรติให้โอกาสให้ความสาคัญแก่ผู้อื่นลักษณะอย่างนี้ก็จะสามารถละมานะเป็นต้นได้ใช่ไหม เราเป็นคนมีมานาจัดไหมชอบยกตนชูตนเบียบเทียบตนมีไหมแข็งเป็นคนแข็งกระด้างแข็งทื่อไม่อ่อนโยนเป็นปัญหาที่ไหนมานาเป็นปัญหาที่ไหนจิตใจเออเป็นปัญหาที่จิตใจใจมันมีปัญหาใจมันชอบยกตนชูตนเบียบเทียบตนวิธีแก้ก็ฝึกเป็นคนอ่อนโยนเนะียฝึกให้เป็นคนกระตันยูกระตาเวทีเนี่ย ฝึกให้จิตใจนะั่นมีความเข้มแข็งมีความอ่อนโยนมีความรากักมีความปรารถนาดีมีความเ อ, อื้อธรเสียเนี่ยก็จะฝึกจิตที่บีมานะให้อ่อนโยนลงเนี่ยเป็นกิเลสอ่อนน้อมถ่อตนรู้จักให้เกียรติให้โอกาสให้ความสาควรแก่คนอื่นอย่างเงี้ยนั้นมานะก็เลยเป็นปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อไม่ให้ปล่อยใจไปตามกิเลสก็สอนว่าไม่ควรถือตัวถือตนส่วนอัตตาเป็นปัญหาด้านสัจธรรม คิดแก้ด้วยปัญญาที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนที่จะถือแล้วในที่สุดนะนะทั้งสองอย่างนี้ก็มาบรรจบก็คือการรู้เข้าใจอนัตตาทําให้ละมานะได้เองรู้เข้าใจว่าไม่มีอัตตาไม่ยึดเอาอะไรมาเป็นอัตตาแล้วความยึดถืออัตตก็หายไปมานะก็หมดเมื่อเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีตัวตนมองเห็นความไม่มีตัวตนก็เห็นโดยความเป็นอนัตตาปัญญาก็ปลดปล่อยจิตให้หมดความถือตัวถือตนก็ไม่ทะนองตนไม่เยื่ยยิง ไม่ลําพองตนก็เลื่องสำคัญตนว่าตนเองสูงบ้างต่ำบ้างก็เลยหมดมานะพระเจ้าก็บอกว่าผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาจะรู้ถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัศมีมานะความถือว่าพองว่าเป็นตัวกูเป็นต้นเป็นนิพพานในปัจจุบันทีเดียวก็คือสามารถดับกิเลสนะดับกิเลสดับความเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นต้นได้อันนี้ตรงนี้จบไปแล้วในประเด็นของมานะกับทิฏฐิ อาตานี้ที่ว่าต่อในเรื่องของสภ า, าสวัสดูตรก็คือมาเข้าในเรื่องของปุถุชนกับอริยาสาวกดังได้กล่าวแล้วปุถุปุถุชนเนี่ยไม่รู้ผู้ไม่มีความรู้ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิผู้ประกอบไปด้วยทิฏฐิสังโยชน์มีทิฏฐิเป็นเครื่องผูกรัดดึงไว้เนี่ย ย่อมไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นจากความโศกความคร่าครวญความทุกข์กายและความทุกข์ใจและความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นไปจากทุกเนี่เห็นไหมว่ามิจฉาทิถีเนี่ยเป็นปา่าทึบเป็นทางกันดานเป็นเสี้ยนหนามเป็นความเดือดร้อนเป็นกิเลสที่ผูกสัตว์โลกไว้แบบนี้งั้นปุถุชนก็ออกจากมันไม่ได้ส่วนภระริยะสาวกก็มีความรู้ได้พบภาริยะด้วยฉลาดอบรมดีแล้วในธรรมของภระริยะ พบสัตวบูรุษฉลาดในอบรมดีแล้วในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมรู้ธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจเมื่อวานนี้พูดถึงว่าอริยสาวกผู้รู้ธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจย่อมไม่ใส่ใจถึงธรรมที่ไม่ควรใส่ใจแต่ใส่ใจถึงธรรมที่ควรใส่ใจถามว่าธรรมที่ควรใส่ใจซึ่งอริยสาวกไม่ใส่ใจเป็นอย่างไรธรรมที่ไม่ควรใส่ใจเข้าไปธรรมที่ไม่ควรใส่ใจซึ่งอริยสาวกไม่ใส่ใจเป็นอย่างไรเมื่อริยสาวกนั้นใส่ใจในธรรมเหล่าใด กิเลสมีกา ม, มาสะวะความติดนั่นในกามที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญภวาสวะความติดในภพเนีที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิ ด, ะะ ด, ก ด, กกดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญอวิชาสะวะอาสวะคือไหลไปสู่ความหลงความโง่เนี่ยที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเนี่ยเหล่านี้คือธรรมะที่มีความใส่ใจซึ่งอริยาสาวกไม่ใส่ใจใช่ไหม บุคคลที่เขาจเจริญแล้วก็จะไม่ใส่ใจเขาจะไม่ตั้งอโยนิโสมนสิการที่ทําให้อาสะวะมีการมาสะวะเกิดขึ้นทิฏฐาสะวะภวาสะวะวิชาสะวะเกิดขึ้นซึ่งผิดกับบุตรชนใช่ไหมถ้าบุุรชนย่อมจะใส่ใจให้กิเลสเหล่านี้มีราคะโทสะโมหะเหล่านี้เกิดขึ้นแต่อริยะสาวกเนี่ยบุคคลที่จเจริญแล้วจะไม่ใส่ใจเพื่อจะให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้น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 อาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นอาสะวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเพราะพริยาสาวกนั้นไม่ใส่ใจถึงธรรมที่ไม่ควรใส่ใจแต่ใส่ใจถึงธรรมมาที่ควรใส่ใจนี่เป็นไปในลักษณ ะ, ะอย่างนี้เห็นไหม น, นี่ก็คุณความต่างกันแล้วเราได้เดินตามรอยของพิริยไหมถ้าเดินตามรอยของพิริยะก็ต้องใส่ใจหรือมรรสิการนี้ถูกต้องซึ่งเป็นโยนิโสมมรสิการ ไอ้ตัวโยนยิ่งสมนิสิกานก็คือการใส่ใจในการที่จะละกามาสะวะคือความติดแน่นในกลางกละภวาสะวะความติดแน่นในพบในขันอวิชชาสะวะความติดแน่นความหลงความไหลไปในความหลงความงงนั่นก็ต้องใส่ใจในการที่จะละธรรมะเหล่านี้อกุยสธรรมเหล่านี้ทีนี้อริยาสาวกนั้นใส่ใจโดยแยบคายบอกว่าใส่ใจไงใส่ใจถึงอุ ป, ปาทานขันห้าไอ้นี้หนักอีกแล้ว อุปาทานขันห้าคือรูปอุปาทานขันห้าคือเวทนาอุปาทานขันห้าคือสัญญาอุปาทานขันห้าคือสังขารและอุปาทานขันห้าคือวิญญาณใช่ไหมเวลาเราสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยก็จะมีว่ารูปนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเออเนี่ยขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา ขันนั่นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสังขารแล้วก็ขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือวิญ ญ, ญาณเคยได้ทบทวนใช่ไหมเวลาสวดนต์นยังไม่เคยสวดเลยนะต้องสวดแล้วก็จะเห็นชัดเลยวันนี้อุบาทานขันเนี่ยถ้าบุบาทานขันห้านี่คือทุกสภาวะที่นา่ารังเกียจไรเ้เกณฑ์สารตัณหาก็คือเหตุให้เกิดทุกส่วนนีโรธหรือนิพพานก็เป็นความดับทุกอริยมรรคมีองค์แปดคือมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมเวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคื อ, คอทางดําเนินไปสู่ความดับทุกข์อีทางทุกขังก็แปลว่าออปาทานกันท่านนี้ทุกตามในพระสูตรนะวนเวลาสวดมันก็วนเวลาเจอในคําสอนกระตันจะพิกเวทุกขังอริยสัจจังปันจุ ป, ปาทานขันธาติสสะวัตจะนิยังอริยสัจจ์คือทุกเป็นอย่างไรคือ ควรกล่าวว่าอริยสัจจานั้นเป็นอุปาทานขันห้านะอีกทางอาจจะแปลว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ก็ได้ตามในพระวิธรรมนะขันห้าที่เป็นไปในภูมิ3ก็คือธรรมที่เป็นไปในกาเมวาจารภูมิภูมิเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งกาบาตัญหาธรรมที่เป็นไปในรูปเเปวจรภูมิภูมิเป็นที่ท่องเที่ยวไปของรูปบาตัญหาธรรมที่เป็นที่ท่องเที่ยวไปของ อรูปภูมิก็คือภูมิไปที่ท่องเที่ยวไปของอารู ป, ปรตานาเนี่ยทั้งที่เป็นไปในรูปภูมิก็คือขันห้านี่แหละที่เป็นไปในการปรภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิแล้วก็ขันสี่ที่เป็นไปในรูปภูมินเ น, น, ปปมนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอริยสัจสี่นะมีองธรรมไปตามเนื้อยของพระพิธรรมเนี่ยได้เรียนอริยสัจที่ยังเรียนแล้วทุกขสัจจะ ก, ก็คือโลกยะาจิตแ1เจรสิบห้บ เ, เว้นโลภารูป28 สมุทยัยสัจจะก็คือโลภะเจตสิกน์โรทัสัจจะคือพระนิพพานมรรคสัจจะ ก, ก็คือองค์มรรค8มีสมาธิตฐิเป็นต้นที่ในมรรคจิตสโอ้นี่พูดยาวเลยฉะนั้นในเรื่องของธรรมะเนี่ยสาวกนั้นควรใส่ใจโดยแยกคลายว่าธรรมที่มีไปที่เป็นไปในภูมิสามนี่คือทุกเป็นต้นเนี่ยอริยาสาวกพูดเจริญ ผู้เจริญในกรรมฐานแล้วได้สัจจะทั้ง4ได้เรียนรู้กรรมฐานในสัจจะสีแล้วก็ในสํานักอาจารย์เปตเตอรเหล่านี้บอกว่าขันห้าที่เป็นไปในภูมิสเว้นตัณหาเชื่อทุกขสัจจะตัณหาเป็นทุกขสัมมุทัยความไม่เป็นไปของทุกและทุกขสมมุทัยทั้งสองก็เป็นนิโรธทางที่ให้ถึงความดับทุกขก็เป็นมรทีนี้เวลาพูดถึงในเรื่องของอริยสัจเห็นไหมว่าใน ในสภากษัตริยสูตรเนี่ยก็จะมาจบลงในเรื่องของอริยสัจสคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทีนี้พอกล่าวถึงทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่นะเดียสรุปตรงนี้ดีกว่ามาดูว่าอะไรบิดกดูคําสอนในอริยสัจสีพลิกษูทั้งหลายอริยสัจสีประการเหล่านี้คือเป็นของแท้อย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนไปได้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจ ภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาทั้งมารทั้งพรหมในหมู่ประชาพร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัต์เพราะเป็นสิ่งที่ตถาคตผู้เป็นอริยะได้ตรัสรู้และได้แสดงไว้แทนพระเจ้าเนี่ยคำสอนพระเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็มาจบลงตรงที่อริยสัจใช่ไหม ทีนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตัศรุอริย ส, สัตตคือทุกสมุทัยนิโรธมากตามความเป็นจริงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นำเรียกว่าเป็นอริยะเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นพระอริยะได้เพราะตัสรุอริย ส, สัตตได้ด้วยตนเองตามความเป็นจริงใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธเนี่ยตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยคำว่าตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองในความหมายนั้นหมายถึงพระองค์ทรงตัสรุอริยสัตตรี ได้ด้วยตนเองแล้วก็ตัดสรุปตามความเป็นจริงก็คือตัสรุปทุกตัดสรุปทุกขสมูร์ไทยทุกคา น, นิโรนแล้วก็ทุกคานิโราาาธาคามมีนิปถิบถาทีนี้ในคัมภี์วิสุทธิ ม, มาร ก, ก็อ้างในบาลีที่แสดงความหมายของเรียสสี่รวมแล้วเป็น4ี่ในยะในยะหนึ่งก็คือว่าสัจจาที่พระอริยะตัดสรุปนี่ความหมายแรกนะ อสองก็คือสัจจะของภระริยะนี่มีบาลีที่2บาลีในที่2องในที่3ามก็สัจจะที่ทําให้เป็นภระริยะก็สีก็คือสัจจะอย่างอริยะคือแท้แน่นอนนี่นะตามบาลีในยะที่1เหมือนกันทีนี้ถ้าดูในความหมายของคำ ว, ว, ว่าอริยสัจสตามความเป็นจริงถ้าาคตจริงได้นามเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะ พุทธิาบอกภิกษุทั้งหลายพระรยาทั้งหลายย่อมแทงตลอดซึ่งสัจจะเหล่านี้เหตุนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจจึงเรียกว่าอริยสัจอดูพุทธพจน์ภิกษุทั้งหลายข้ อ, อจจนี้แลเป็นทุกขอริยสัจคือชาติคือความเกิดก็เป็นทุกขชราความแก่ก็เป็นทุกขพยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกขการประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกขการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่อโดยใจความก็คืออุปาทานขันห้าเป็นเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นตัวทุกข์เลยย่ อ, อมาก็คือรูปนามหรือกายกับใจอันนี้เป็นตัวทุกข์ถามว่ามันทุกข์เพราะมันทุกข์เป็นไปตามสภาพของมันของเขาเองหรือมันทุกข์เพราะใจเราไปรับรู้มันทุกข์ยังไง ทุกนี่เขาเป็นของเขาอยู่แล้วทุกในยะนั้นก็คือหนึ่งในยะหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรียกว่าเมทเที่ยงแล้วก็เป็นเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเมทเที่ยงแล้วก็เป็นอันนี้จังก็เป็นทุกขังก็คือว่ากดดันบีบคั้นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเนะีทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้ไม่ เ, เดินไม่ได้อีกในยะหนึ่งก็คือว่าเป็นอนัตตา คือว่าไม่สามารถคอวบคุมบังคับบัญชาไดา้ไม่มีแกนไม่มีแกนเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุและผลตามความเป็นจริงเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คือสภาพของความเป็นทุกข์ในอริยสัจภิกษูทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันนามัยมีพบใหม่ประกอบด้วยนันที่ราคะซึ่งคุณนไข่ฝ่ายหาในอารมณ์ต่างๆได้แก่กามะตัณหา ความติดใจไปกระสันในการเนีเพราะว่าตัณหานี่ความอยากได้ด้วยต้องการให้มั่นคงถาวรด้วยวิภาวะตัณหามีความอยากด้วยแล้วก็ปรารถนาจะพ้นด้วยดีวยพิธีเป็นไบก่ออุเฉตอาทิฐิด้วยพิกูุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธาสัตว์ก็คือว่าการที่ตัณหานั่นแลดับไปได้โดยการสํารอกออกหมดไม่มีเหลือการสละเสียได้สลดออก พ้นไปได้ไม่น่วงเหนี่ยวพัวพันอันนี้เป็นนิโรธาสัจจะเพิกษูนยทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกข์ขันธิโรทฆาบิีปฏิปทาอริยสัจก็คืออริยมรรติองค์แปก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นจะถึงสมาสมาธิการตั้งจิตมั่งถูกต้องอันนี้เป็นใจความในเรื่องของอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรตแต่ในความหมายเนี่ยเอาดูคําว่าทุกข์ก่อน ทุกเนี่ยก็แปลว่าความทุกขหรือสภาพที่ทนได้ยากพอบอกสภาพที่ทนได้ยากเนี่ยเจาะเข้าไปก็คือปัญหาของมนุษย์นี่แหละลึกลงไปอีกก็หมายถึงสภาวะสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตกอยู่ในกฎธรรมดาความเป็นทุกข์ก็คือการกดดันขัดแย้งอยู่ในตัวอยู่ตลอดก็คือความเป็นอนัตตาด้วย นันัซึ่งประกอบไปด้วยการบีบคั้นกดดันขัดแย้งขัดข้องมีการมีความบกพร่องด้วยไม่สมบูรณ์ในตัวเองขาดแก่นสารแล้วก็และความเที่ยงแท้ไม่อาจให้พึงพอใจเต็มอิ่มได้อย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะก่อปัญหาสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เสมอทั้งที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วและก็ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาตามมาด้วยเมื่อใดเมื่อหนึ่งก็ได้ในรูปใดรูปหนึ่งก็ได้แก่ผู้ที่ยึดติดถือมั่นไว้ด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่น นี่คือตัวทุกเป็นในลักษณะอย่างนี้อันนี้ว่าตามหล่า ว, วิชาการเลยนียเนี่ยเพราะพูดอย่างนี้อ้าดูทุกข์ขัสมูทัยอ่ะถ้าทุกข์ขัสมูทัยก็เรียกสั้นๆสมูทัยก็แปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสาเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอันนี้เลยกว่าความอยากหรือความยึดถือเนี่ยเอาตัวตนไปที่ตั้งโดยการที่มีเราซึ่งจะเสพที่จะได้ ที่จะเป็นและที่จะไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ชีวิตถูกบีบคั้นด้วยความเร่าร้อนร่านลนแล้วก็กระวนกระวายความห่วงแห็นเกลียดชังหวั่นกลัวหวาดระแวงความเบื่อหน่ายหรือความคับค้องติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่อาจจะปลอดโป่งโล่งเบาเป็นอิสระสดชื่นเบิกบานได้ไม่สามารถจะเข้าถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่รู้จักความสุขชนิดที่เรียกว่าไร้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่อืดเฟ้อเป็นต้นเหล่านี้ ลักษณะอย่างนี้เรียกทุกขสมุทยัยนี่ก็คือเหตุเกิดแห่งทุกข์กิจภาวะตรงนี้ปัญหาเกิดตลอดเวลาใช่ั้ยประการที่3ทุกขนิโรธนี่เรียกสั้นๆนิโรธะก็คือแปลว่าความดับทุกข์ีิภาวะที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชากระสำรอบตัณหาสิ้นแล้วก็ไม่ถูกตัณหาย้อมใจหรือฉุดรากไป ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกัวนกวายความเบื่อหน่ายหรือความคับข้องติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าหลุดพ้นเป็นอิสระประสบความสุขบริสุทธิ์สงบปลอดโปร่งโล่งเบาด้วยพ่องไสเบิกบานเรียกสั้นๆว่ า, าภานิพานอันนั้นเป็นสภาพที่ดับกิเลสและก็ดับกองทุกได้หมดเลยนั้นมนุษย์เราเนี่ยที่ไม่ปลอดโปร่งโล่งหรือไม่เข้าถึงภาวะอย่างเต็มอิ่มได้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่ายังไม่ถึงนิพานนี่แหละ ถ้าตราบใดกิเลสนิพานได้เมื่อไรปัญหาหมดไหมหมดเลยถ้าหมดอย่างทาวรก็จะขันนิพานขันทปรินิพานก็คือการกระแสชีวิตกิเลสหมดด้วยกระแสชีวิตก็จบลงด้วยโดยไม่มีการสืบต่ออีกอันนี้เป็นนิพานท้าวรเป็นความปรุกโลงเบาเถึงส่วนทุกขนิโรธคำนีปฏิปทาเรียกสั้นๆวา่ามร์ก็แปลว่าปฏิัทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าอาริยะอัตถังคิกมัคแปลว่าทางที่ประเสริฐหรือทางประเสริฐประกอบด้วยองค์8นะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดําเริถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องสัมมารกรรมตะการกระทําที่ถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง สัมมาวายมะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติระลึกที่ถูกต้องสัมมาสมาธิการตั้งมั่นการตั้งจิตมั่นที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคแที่เรียกว่ามัชฌิมาปิฏทาเพราะเป็นทางสายกลางดําเนินไปพอดีที่จะให้ถึงนิโรธคือความดับทุกข์โดยไม่ติดข้องหรือเอ็นเียงไปที่สุดทั้ง2 อ, อย่างทางนี้ไม่เอ็นไปหาการมาสุ ข, ขาริการุโยคคือการหมกมุ่นในการมาสุข แล้ไม่เอียงไปหาอัตตกิรมถานุโยคคือการประกอบตัวนี้ลำบากหรือบีบคั้นทรมานตัวเองให้เดือดร้อนนี่ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเป็นการเข้าใจในเรื่องของคําว่าอริยสัจนะอริยสัจจากทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของอริยสัจเนี่ยสรุปตรงนี้นิดนึงก็คือว่าคงจะไม่ขยายตรงนี้ก่อน พอขยายน่าจะยาวใช่ไหมแต่ก็จะพูดให้เห็นพอเป็นเขาโครงหน่อยก็คือทุกเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกันกันกบโรคเนะี่ยทุกเนี่ยเหมือนโรคสมุทัยเนี่ยเหมือนสมุทรฐานของโรคนิโรธเนี่ยเหมือนความหายจากโรคมาร์ก็เหมือนกับยาที่รักษาโรคนี่ อุปมาหนึ่งนะแต่มันมีหลายอุปมาทุกเนี่ยเป็นปริญ ญ, ญาธรรมก็คือเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ทุกในคู่กับปริญญาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ดังนั้นทุกและธรรมทั้งหลายที่อยู่ในจําพวกปัญหาหรือเป็นที่ตั้งเหตุปัญหาจึงรวมเรียกว่าเป็นปริญ ญ, ญาธรรมธรรมที่ควรกําหนดรู้ได้แก่อุปาทานกันฮสมูทายในคู่กับกิจก็คือปหานะ เราจะต้องทำกับเขาในท่นาในฐานะก็คือในฐานะเป็นสิ่งที่ควรละหรือควรกําจัดดังนั้นตัณหาและทำจําพวกที่ทําให้เกิดปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเช่นอวิชชาความมืดบอดความไม่รู้โลภะความโลภโทสะความโกรธอุปาทานความยึดมั่นเป็นต้นเนี่ยรวมเรียกว่าปัญหาต่ประทำเป็นรำที่ควรละควรใช้ปัญญาไปประหารไปละนิโรธเนี่ยคู่กับกิจ กิจของเขาก็คือสัจจิกิริยาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งหรือควรบรรลุดังนั้นนิพพานคือทำจําพวกที่เป็นจุดหมายหรือเป็นที่แก้ปัญหาที่ดับปัญหาเนี่ยเป็นสิทธิสัจจิกาตัป h ธรรมก็คือทำที่ควรทําให้แจ้งนิโรธเนี่ยนะมรรคเนี่ยโค้งกับกิจก็คือภาวนาทําให้มีทําให้เกิดขึ้นในฐานะเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือปฏิบัติ ด, ดําเนินการดังนั้นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ทำทั้งหลายที่เป็นพวกข้อปฏ NO ิบัติเป็นวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายจึงรวมเรียกว่าเป็นพาเวตประธรรมธรรมที่ควรจเจริญธรรมะทั้งหมดเนี่ยหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีย่อมจัดรวมเข้าในประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างธรรมะสี่จังพวกนี้ไม่มีเหลือเลยเนะนั่นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่พรงษ์ทรงแสดงมาทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็รวมอยู่ในทุกขส่วนหนึ่งก็รวมอยู่ในสมุทยัยส่วนหนึ่งนี่รวมอยู่ในริโรส่วนหนึ่งก็รวมอยู่ในมรคไอกลุ่มที่ควรจเจริญทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในมรค <C ut ical> ส, ส่วนที่เป็นปัญหาทั้งหลายนี่อยู่ในอยู่ในทุกส่วนที่เป็นเหตุของปัญหาทั้งหลายนี่รวมอยู่ในกลุ่มสมุทรไทยเช่นอุปาทานขันห้าอันนี้เป็นทุกข์ขัดใช่ไหมแล้วไม่ใช่มีแค่นั้นอนะ่ะพูดในรายละเอียดอีกเยอะเลยขันอายตนะธาตุา อ, อินทรีย์ปฏิจจารอะไรก็ไล่ไปแต่มองในส่วนของตัวทุกเนะี่ยถ้าส่วนของสมุทรไทยก็โหตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายอีกเยอะ นิโรธก็คือถ้าดับกิเลสและกระดับตัวทุกข์ได้ก็เป็นนิโรธสัจจ์กลุ่มธรรมะที่ควรเจริญพวกสติปัฏฐานสมะประฐานอธิบาทอินทรียพระพโธชงอริยมรรคในรวมอยู่ในมรรคสัจหรืออันนี้ก็ต้องจัดสงเคราะห์หมู่หมวดให้ชัดเจนทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจประเด็นคำสอนไม่ชัดทีนี้นะ ถ้าหากว่าจะมองเริ่มจากตัวปัญหาก่อนเพื่อจะใช้ปัญญาในการที่จะไปพิจารณานี่นะเอามองในส่วนของทุกข์ก่อนอริยศัสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องรู้ไหมจำเเป็ น, ปนทุกข์ก็คือปัญหาต่างๆของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องบีบคั้น ช, ชีวิต จ, จิตใจนยะและจริงก็เอาตัวปัญหามาตัวตั้งเลยตัวบาดานกันหา้าถ้าเจาะเข้าไปในตัวเขาจริงๆก็คือเนี่ย ขนันนัเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรู ป, ปะขันในรู ป, ปะขันทั้งหมดก็มีเกี่ยวกับรูปธรรมเลยที่ได้กล่าวไว้ย่อๆแล้วก็คือมาหาพุทธ ร, รูป4ี่และอปาทายรูป24ในกลุ่มกระแสะของรู ป, ปะธรรมทั้งหมดจะแยกของดินธาตุดินธาตุ น, าน้าธาตุไฟธาตุลมจะมแยกเป็นจักรุปตะศาสตาร์ตระปตะศาสตร์กานาปตะชิวหาตะศาสตร์กายยะตะศาสตร์จะแยกของรูปารมณัสาตารมกันตารมและสารลมผลทารลมเนี่ยนะแล้วก็เป็นเกี่ยวกันในเรื่องของ สภาวะที่เกี่ยวกับรูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ยเกี่ยวเป็นตัวทุกข์เป็นเครื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจเนี่นั้นทุกข์เนี่ยมีส่วนของรูปประธรรมไม่พอมีส่วนของนามปรธรรมด้วยทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี่ส่วนของรูปกับนามกายกับใจเนี่ยไอ้นี่เป็นตัวปัญหาเป็นตัวทุกข์เลยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าก็แยกแยะให้เห็นในรายละเอียดทั้งหมด รูปธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยแล้วก็สรุปลงนี่คือตัวทุกอย่างไงนวกองกระแสชีวิตที่ดําเนินไปอยู่เนี่มีเป็นเรื่องบีบคั้นทางจิตใจเป็นมีอยู่ทั่วไปแก่ทุกค น, น, นเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็เป็นจุดสนใจเป็นของเด่นชัดแก่ผู้นั้นเมื่อนั้นแต่ว่าสิ่งที่จริงก็คือว่าถึงจะไม่มองเฉพาะครั้งเฉพาะบุคคลแม้กว้างออกไปในหมู่ชนน้อยใหญ่ก็จนจะถึงทั้งโลกเนี่ยก็จะเห็นถึงปัญหาชีวิตของมนุษย์เต็มไปหมดเลยเนี่ย มนุษยก็เจอภัยกันพอมีขันห้าขึ้นมาเจออะไรเยอะเลยใช่ไหมทั้งความเกิดทั้งความแก่ทั้งความเจ็บไข้ทั้งความตายทั้งความโศกความลำลารลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็มาจากกระดากมีขันห้าเดีพอมีขันห้าขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นมันก็สร้างปัญหาออกมาเต็มไปหมดที่เราได้ ต้องดูแลต้องบริหารจจัดการมันอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เพราะมาจากไอ้นี่ไอ้ตัวขันนี่เลยใช่กระแสชีวิตนี่แหละที่เป็นส่วนของรูปธรรมและนามธรรมนั่นแต่รวมที่ตัวกระแสชีวิตหนึ่งก็เต็มไปอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเอากระแสชีวิตนี่ไปรวมๆๆกันอยู่ก็คือเอาปัญหามากองกันรวมกันอยู่นี่เองใช่ไหมตัวปัญหาทั้งนั้นมันรวมรวมกองกันอยู่ทีนี้แต่และปัญหาที่มากองกองกันอยู่เนี่ยเท่าไหร่ถ้าร้อยคนก็กองกัได้ปัญหาปเป็นเยร้อยเลยเนีแล้วยังเหตุ ก็ไปสาห่าเหตุขอามันับตัวสมุทัยก็ว้ดีแต่ให้มองรู้ก่อนว่าเนี่ยเออถ้าเราในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเออทุกเนี่ยเปนคู่กับกิจคือปริญญาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้เนี่ยทุกหรือทำทั้งหลายที่อยู่ในจําพวกปัญหาเนี่ยหรือเป็นที่ตั้งปัญหาเนี่ยจึงเรียกว่าปริญญาธรรมก็คือธรรมที่ควรกาหนดรู้นั้นทุกเนี่ยจึงเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของใจนะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นกิจที่ปัญญาจะต้องไปวิจัยไปแยกแยะ ไปกําหนดนะต้องไปทําปริญญาก็คือทั้งยาตปริญญาตีและน่ปริญญาเนี่ยเพื่อจะเข้าไปปัญหาไอ้เหตุของปัญหาในนั้นใช่ไหมเป็นการไปต้องไปกําหนดรู้ไปแยกแยะทั้งลักษณะของเขาเป็นยังไงกิจของเขาเป็นยังไงอาการปรากฏเป็นยังไงเหตุใกล้เป็นยังไงเป็นต้นแล้วก็ไปได้เข้าไปเจาะเห็นความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไงนี่อันนี้เห็นไหมตัวทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นกิจของปัญญาเป็นหน้าที่ของปัญญาที่ต้องเข้าไปรู้ ทีนี้ประเด็นมันก็เคยบอกว่าอ้เมื่อกระแสชีวิตมันเป็นตัวทุกเป็นตัวปัญหาอยู่แล้วเนี่ยไอตัวปัญญาที่เข้าไปรู้มันคนละส่วนนั้นปัญญาที่นําใจเขาไปรู้เนี่ยถ้าเอาใจเขาไปรู้เนี่ยมันคนละส่วนเลยนะมันก็จะทุกมันก็จะเครียดมันก็จะกุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเอาปัญญาเข้าไปวิจัยไปแยกแยก剖ขึ้นมาเนี่ยเมื่อไปเห็นทุกไปไปเห็นทุกมันเกิดขึ้นไปเห็นปัญหามันเกิดขึ้นนะนะไปเห็นตัวปัญหาที่แท้ จ, จริงเนี่ยใจเป็นทุกข์ไหมถ้าปัญญาเข้าไปทํำกิจเนี่ยใจจะเป็นทุกข์ไหมไม่ กลับไปรู้ความจริงขึ้นมาแล้วใจมันก็กลับ ป, ปลอดโปร่งโล่งเบาก็คือปัญญามันเกิดมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเอาใจเนี่ยเข้าไปรับปัญหาโดยไม่มีปัญญาไปรู้ด้วยหรือไม่ปัญญาไม่ไปทํากิตด้วยนี่เป็นยังไงกดดันบีบคั้นไหมเพราะไปเห็นแล้วมันมืดมันตันมันอึนอดอัดมันคับคล้องใช่ไหมจิตก็เป็นทุกข์เห็นไหมเนี่ยหลายๆคนก็เลยเป็นคนเกลียดปัญหากลัวต่อปัญหาไม่อยากเจอปัญหาอา้าวแล้วจะทํำยังไง ก็มันอยู่กับปัญหามันอยู่กับทุกข์ก็กระแสะชีวิตมันเป็นตัวทุกข์ขัตย์อยู่แล้วเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระรยาเจ้าจะต้องเข้าไปรู้ใช่ไหมจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเป็นกิจของปัญญาที่จะต้องเข้าไปวิจัยไปแยกแยะเพื่อไปเห็นความจริงในข้อนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไปปฏิเสธไม่พยายามทําปัญญาก็าไปเห็นขึ้นมาเราก็ต้องแบกปัญหาอยู่นั่นแหละเพราะเราออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ถ้าตราบใดมนุษย์ไม่พัฒนาปัญญาไม่เจริญปัญญาไม่ฝึกฝนปัญญาขึ้นมาก็ไปเห็นความจริงของตัวปัญหาหรือตัวทุกข์ขึ้นมาโอโ้ยุ่งเลยใช่ไหมล่ะมีนี่ยุ่งแลยแต่เนี้ยทีนี้ก็กลายเป็นว่าปัญหาก็กลายเป็นว่าหรือตัวทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ก็เลยหลบๆซ่อนๆห น, นีมันเนะ่ยบอกพี่ถ้าจะไปทําอันนั้น ไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะถามว่างานนี้ปัญหามากหรือปัญหาน้อยผมคิดปัญหามากเลยฉันไม่เอาไม่เอายโยนให้คนอื่นเอาละสิแล้วจะทํำยังไงกระแสชีวิตมันก็เป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วมันกดดันมันบีบคั้นมันขัดแย้งในตัวมันเองมันเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองตลอดแล้วก็ไม่มีแก่นแกนอะไรทั้งหลายที่มันจะมั่นคงถาวรใดๆเลยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วแต่เราจะรู้หรือไม่เท่านั้นเอง ก็มนุษย์ก็เป็นปัญหาทีตัวมันเยนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นไม่เป็นเนี่ยเบื่อไหมไม่เบื่อยังอยากจะเป็นแบบนี้อีกไหมอ๋อ น, นี่ก็คือพูดไปพูดมาชัดเจนเห็นว่าเป็นจุดสนใจอย่างอื่นเนี่ยยกขึ้นมาเป็นปาร์รบไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระเจ้าจริงแสดงทุก ข, ข์ก่อน เพราะอันนี้เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่คนสนใจนะยิ่งไปกว่านั้นนะทุกเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวและน่าตกใจสําหรับคนจํานวนมากทั้งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงและไม่อยากจะได้ยินดังนั้นจะเห็นคนที่กําลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองกําลังมีปัญหากําลังก่อปัญหาเมื่อมีผู้มาชี้ปัญหาให้ก็จะกระทบใจทําให้สะดุ้งสะเทือนใจนะและเกิดความ วันไหวสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนปารบเรื่องทุกข์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ฉุกคิดให้ได้คิดขึ้นมาก็คือเป็นทางที่จะเริ่มต้นพิจารณาแก้ปัญหาดับความทุกข์กันได้ต่อไปคือจริงๆเนี่ยกระแสะชีวิตเนี่ยที่ประดับไปด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยอันนี้เป็นตัวทุกข์สัต์เป็นสัจจะเป็นความจริงนะันเป็นตัวปัญหาเลยนะ น, นี่เป็นตัวปัญหาเลย แต่ถ้าเราอยู่กับเขายัางรุ่มหลงอย่างมัวเมาอย่างเพลินเพลินเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากําลังอยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์กำลังกอดทุกข์นอนกับทุกข์พัวพันยินดีเพลินเพลินกับทุกข์ใช่ไหมแล้วก็หลงไหลได้ปื้มปื้มกับมันอันนี้ก็คือไม่รู้แต่พอวันใดวันหนึ่งขึ้นมามันปรีขึ้นมามันแสดงอาการปรากฏที่รุนแรงขึ้นมาโอ้โหเราร้องกังวนก็วายกันเลยทุกข์มากเช่น อย่างเราเรก็คือถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราเห็นอาการของกระแสะชีวิตที่มันสแสดงปริออกมาคือป่วยป่วยไข้เนี่ยไม่สบายขึ้นมาโอโหทุกข์ไหมเรากลับไปทุกข์ใจตอนนั้นเนทั้งๆ ท, ที่เกิดมันก็เป็นทุกข์อของมันอยู่แล้วในตัวมันเองอยู่แล้วในความเกิดเนี่ยนะในความแก่ก็เป็นทุกข์ในตัวงมันเองอยู่แล้วความเจ็บไข้ความตายความโศกนความร่ำไตรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคลาแค้นใจใช่ไหม หรือในขณะที่อยู่ธรรมดานี่แหละเราจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ในขณะที่มันแสดงอาการของมันอยู่ตลอดแสดงอาการความไม่เที่ยงแสดงอาการอาการการบีบคั้นขัดแย้งในตัวมันเองตลอดแสดงอาการว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่ตลอดเนี่ยนี่มนุษย์ไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันกำลังแสดงอาการปรากฏให้เห็นเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยไปแยกแยะไปเห็นไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาปัญญาขึ้นมามนุษย์ก็ไม่เห็นปัญหาใช่ไหมไม่เห็นปัญหา ก็ไปเข้าใจว่าตนเองเป็นคนไม่มีปัญหาทั้งนั้นที่ก่อปัญหาหรือเป็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่นี่แหละนี่แหละว่าเวลาแสดงอริยสัจโดยตั้งแต่ต้นที่เป็นทุกข์ก็เป็นการสอนในเริ่มเริ่มจากปัญหาเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นกันอยู่เข้าใจง่ายเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะก็คือเป็นการสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ใช่สอนแบบเลื่อนลอยนะไม่ใช่คิดเพ้อฝันด้วย นี่ยลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ที่นี้เวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เนี่ยสอนเพื่อให้คนเป็นทุกข์หรือเปล่าอสอนเพื่ออะไรเนี่ยทุกข์เป็นกิจของปัญญาเนี่ยคู่กับปริญญาปริญญามีสามยาตาปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้จักก่อนใช้ปัญญาไปรู้จักเขาก่อนไปรู้จักเขาก่อนว่าไอ้ตัวรูปธรรมเป็นยังไงตัวนามธรรมาเป็นยังไง ตัวรูปเป็นยังไงตัวเวทนาอย่างไรสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงกระแสชีวิตเป็นอย่างไรให้ไปรู้ลักษณะของเขาไปรู้กิจการงานเขาทําการเขาทําอะไรเขาอยู่ไปดูการปรากฏของเขาไปรู้เหตุการณ์ของเขาไปตัวเหล่านี้ไปรู้จักเป็นญาตะไปนะครับนะครับพอรู้จักความจริงของเขาปุ๊บเนี่ยก็จะไปเห็นความจริงอีกข้อหนึ่งก็คือตีแล้วนะปริญญาไปเห็นความไม่เที่ยงของเขาเห็นความเป็นทุกข์ของเขาเห็นความเป็นอนัตตาของของกระแสชีวิตนั้น โอ้แต่นี้เห็นความจริงปุ๊บขึ้นมาเนี่ยอยากจะมีทุกต่อไหมแตนี้อยากจะได้ทุกอยากจะแบต ก, ก้อนทุกอยากจะลงไหลได้ปลื้มกับทุกไม่หม่เลยเนยี่อยากละทนันทีแล้วก็จะไปหาและอะไรนี่เป็นเหตุที่ทําให้กระแสชีวิตดําเนินไปเนี่ยโอ้ตัณหาเป็นยังไงอาวิชาเป็นยังไงอุปาทานเป็นยังไงความยึดมั่นถือมั่นเป็นยังไงโอ้ยี่กลุ่มตัณหาแลเขาจะสาไปในการที่จะเป็นละนะเขาไม่อยากเนี่ยไม่อยากจะอยากไม่อยากจะมีทุกอีกต่อไป ก็คือไม่อยากจะมีขันห้าอีกต่อไปไม่อยากจะให้ชีวิตดำเนินไปในภพต่อไปแล้วตอเนี้อยากจะดับทุกขันทีทันใดทีนี้บางคนพอไปรู้นิดหน่อยแล้วอยากดับทุกข์แล้วยังไม่ทันรู้แนวทางเลยตอนนี้ไปท่องเอาได้ไหมฉันจะไม่เกิดฉันจะไม่เกิดมันก็ไม่ได้ น, นั้นพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์แต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์ พระสงฆ์รู้ว่าทุกนั่นคือเป็นปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่งงแท้แน่นอนที่จะต้องคงอยู่ตลอดไปชีวิตนี้ที่ยังคับค้องก็เพราะมีทุก์มีปัญหาคอยรบกวนถ้าดับทุกแก้ปัญหาแล้วหรือได้สร้างความสามารถในการดับทุกแก้ปัญหาได้พร้อมแล้วชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะพบความสุขอย่าง แ, แท้จริงใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เลยการเรียนรู้เรื่องทุกเในการเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ีมเรียนรู้ปัญหาเป็นสิ่งดีดีเอาแล้วแต่เนี้ยทุกอย่างก็คือเราต้องรู้จักตัวปัญหาก่อนนี่แหละเพราะปัญหาเนี่ยเหมือนโรครู้จักโรคก่อนทีนี้พออยากจะรู้ปัญหาจะรู้จักโรคเนี่ยเออถ้ากลุ่มพี่เป็นหมอนี่นะหมอในเวลาเขาจะเรียนรู้เรื่องโรคเนี่ยหมอก็ไปเรียนเรื่องกายวิภาคไหมศรลวิทยาต้องเรียนไหยเออทำไมไม่ไปเรียนที่ตัวโรคโดยตรง อไอ้โรคไปตั้งอยู่ที่ไหนไม่ตั้งในสลีร่าอย่างเงก็ต้องดูทุกจุดเลยใช่ไหมดูทุกจุดของร่างกายต้องรู้ทุกจุดของร่างกายเลยเนี่ยงั้นดูสรีละทั้งหมดเลยของร่างกายดูกายวิภาคทั้งหมดเลยในส่วนของร่างกายทั้งหมดเข้าไปวิจัยไปแยกแยะเบียดเสร็จหมดก็จะได้รู้ว่าไอ้ตัวโรคเนี่ยมันนีมันก็อาศัยเนี่ยกายนี้แหละเป็นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปเห็นตัวสมุทรฐานของโรคอีกที ไปรู้ส ม, มุธฐานของโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงยังไงเวลาแก้ไขก็ไม่ได้แก้ตัวที่ตัวโรคนะเขาไปแก้ที่ตัวสมุธฐานของเขาใช่ไหมยอย่างปวดหัวเนี่ยพอพออาการปวดหัวมันเกิดขึ้นเนี่ยไปกินยาแลงับปวดเลยนี่เป็นการแก้ไหมแก้ที่ถูกต้องไหม <c oughs> เขาต้องไปดูส ม, มุธฐานของเขาใช่ไหมไปแก้ที่ตัวส ม, มุธฐานนู้นเออมาจากอะไรออมาจากเชื้อตัวไหนเออต้องไปจัดการกับเชื้อนู่นแหละไม่ใช่ไปไป ไปแก้ที่ตัวโรคทีเดียวไปแก้ที่ตัวสมุทฐานนี้เป็นต้นอาตอนนี้พูดเรื่องทุกอยู่ทีนี้พอมองอย่างนี้แล้วก็คือว่าแต่การดับทุกขหรือการแก้ปัญหานั้นไม่ใช่ทําทําได้โดยการหลบเลี่ยงปัญหาหรือปิดตาไม่มองทุกนั้นะตรงกันข้ามอ่ะต้องใช้วิธีรับรู้สู้หน้าเผชิญดูมันด้วยนะึ่งเนี่ย มีการรับรู้สู้หน้าไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์เขาไว้หรือจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์แต่เป็นการรู้เท่าทันก็คือจะได้แก้ไขกําจัดมันได้พูดง่ายๆก็คือไม่ใช่เอาทุกข์มาใส่ในใจแต่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไขไปจัดการเออตรงเนี้การแก้ไขปัญหาในที่นี้ก็เลยพระเจ้าก็สอนในเรื่องการฝึกฝนพัฒนาปัญญาขึ้นมาพอพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ย ไอ้ปัญญาจะมาได้ก็ต้องอาศัยฐานคือสมาธิสมาธิจะมาได้จะต้องอาศัยฐานคือศีลเป็นต้นเลยก็เลยโยงกันหมดเลยอนะไรเงี้ยทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในข้อมาร์กนี่แหละนะเป็นข้อที่จะต้องอบรมจะต้องเจริญจะต้องทําให้มีทําให้เกิดขึ้นงนะัตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของทุกเนี่ยนะอะทีนี้ การรู้เท่าทันนี่ก็คือการทําหน้าที่ต่อทุกข์ให้ถูกต้องทางสัพพาท์ในที่นี้ท่านใช้คําว่าปริญญาปริญญาเนี่ยนะก็คือการใช้ปัญญาเข้าไปดูให้ชัดให้รอบนีให้ทั่วให้รอบทําความเข้าใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้นให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาของเรานั้นน่ยคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนบางคนชอบ บางคนชอบหลบเลี่ยงทุกข์หนีปัญหาทั้งที่รู้ว่ามันมีปัญหาแต่จะจับให้ชัดก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาของตนหรืออะไรเนี่ยได้แต่เห็นแบบคุมคุมเครือเคลื อ, ลอพระผ้ามัวมั ว, มวสับสนเนี่ยนี่ไม่ได้นะฉะนั้นในการที่จะต้องทํำปริญญาต่อทุกก็คือการเข้าไปกําหนดรู้เนี่ยเข้าไปกําหนดรู้ไปจับทุกข์ให้ได้ก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ต่อทุกเหมือนแพทย์ตรวจการก็คือตรวจอาการจนรู้โรค รู้จุดที่เป็นของโรคแล้วก็หมดภาระนะหมดภาระหมดหน้าที่ไประดับที่หนึ่งแล้วเราไม่มีหน้าที่กำจัดทุกเพราะทุกจะดับตัวมันเองไม่ได้ต้องแก้ที่เหตุของมันนะถ้าจะละทุกที่ตัวทุกก็เหมือนรักษาโรคที่อาการ <c oughs> เช่นให้ยาระงับดังที่ได้กล่าวนีอันนี้ก็ผิดผิดวิธีกันต้องค้นหาสาเหตุ อันนี้ก็เหมืนการท่านที่อุปมาเข้าไว้ในที่บอกว่าแพทย์เหมือนแพทย์ที่เรียนรู้โรคก็ต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายเป็นต้นเหล่านี้อันเป็นที่ตั้งของโรคชั้นใดบุคคลที่จะดับทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ทุกข์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนะอันเป็นที่ตั้งของทุกข์เป็นต้นด้วยนั้นพวกเราเนี่ยหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นเน้นหนักที่สุดก็คือว่าเราต้องการอยากจะพ้นทุกข์ต้องการอยากจะดับทุกข์ไม่ให้หนี ประชิญหน้าโดยการใช้ปัญญาเข้าไปเรียนรู้เลยเข้าไปวิจัยเลยว่าทุกคืออะไรปัญหาคืออะไรเนี่ยดีตรงเนี้ยในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ไปเรียนรู้ไปประชิญหน้าด้วยใจที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเราใช้ปัญญาเข้าไปประเชิญหน้าใช้ปัญญาเข้าไปดูเข้าปัญญาใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะเพื่อจะได้ไปแจกแจงแยกแยะไอ้ตัวทุกข์ให้แท้จริงว่าใ น, นส่วนของรูปธรรมเนี่ยเป็นทุกข์ยังไง ในส่วนของนมามรทำเนี่ยด้านจิตชีวิตจิตใจมีทุกอย่างไงก็ไปแยกแยะไปวิจัยให้เห็นรายละเอียดของเขาเลยเนี่ยเห็นความเห็นตัวของเขาจริงๆแลี่ยพอเข้าไปเห็นเขาจริงๆเนี่ยรู้จักเขาเบีดเสร็จแล้วตอนเนี้ยแล้วก็จะใช้ปัญญาเข้าไปดูอาการเกิดขึ้นของเขาเป็นยังไงอาการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไงอาการบีบกดดันบีบขั้นขัดแย้งเป็นยังไงและอาการที่เขาเป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยเป็นอย่างไรเอ้พอไปรู้อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วแหมเนี่ย ปัญญาก็เข้าไปวิจัยแยกย่อย่างนี้นเะนเข้านะเข้าพอไปเห็นในตัวความจริงของกระแสชีวิตอย่างนี้นเะนเข้านะเข้าก็จะสาวหาเหตุปัจจัย อ, อย่านี้เอย่ายกตัวอย่างเช่นพอไปเจาะรู้เห็นกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเปรตนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามหรือกายกับใจปุ๊บเห็นตามความเป็นจริงนะเข้านะเขาก็สาวเลยอย่างนีนะ้พอจะไปเรียนรู้เรื่องนี่ยก็อเอาละรู้จักตัวทุกชัดเจนและ อันนี้เป็นตัวทุกข์นะโอ้โหมันไม่ยอมหยุดตัวมันเลยเนี่ยมันสร้างปัญหามันก่อปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยเออมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันสืบต่อยตลอดเวลาเลยเนี่ยมันไม่หมดไปอย่างแน่นอนโอ้มันแสดงอาการปรากฏให้เราเห็นนี่คือปัญหามันแสดงตัวตนขมันออกมาแล้วที่ปัญญาก็ไปเห็นเห็นความจริงตรงนี้แหละโอ้มันแสดงอาการใหญ่เลยเนี่ยถ้าปัญญาก็ไปเห็นทุกข์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้เฮ้ยมันมาอย่างไรเงี้ยส่วนของรูปธรรมเนี่ย อ่ามันมียังไงอ่ะเอาแหะติต่อไปก็ไปสาวเหตุเหตุแห่งทุกก็คือค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญาไม่มัวหาที่ซัดทอดแหละเออในกรณีแห่งสมูทัยเนี่ยไอเหตุแห่งทุกก็คือสาเหตุของปัญหาเข้ามาตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถึงลำดับก็คือเมื่อต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องกําจัดเหตุของมันนะ เมื่อกําหนดจับมันได้แล้วก็ว่าทุกหรือปัญหาของตนเองมันคืออะไรนะมันเป็นอย่างไรเป็นต้นอยู่ที่ไหนถึงเวลาที่จะต้องสื่อสาวาเหตุเพื่อจะได้ทํากิจในการที่จะต้องไปปะหานะก็คือไปล่าไปกําจัดมันเสียเนี่ยมีการค้นหาเหตุสมมุตินนะีเน่เราไปมีญาณปัญญาหรือวิจัยนะเจาะลึกลงไปจนสามารถเข้าใจกระแสชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยมันมอยู่ไง เออมีตัวปัญหาแล้วนี่เวลาสืบค้นเนี่ยอะไรหนอเป็นปัจจัยเนีเป็นปัจจัยที่ทําให้รูปปัจขันธ์มันเกิดขึ้นเวทนาขันธ์มันเกิดขึ้นสัญญาขันธ์มันเกิดขึ้นสังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์มันเกิดขึ้นโอ้กระแสของรูปธระทและนามประทับเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อกันมันไม่จบมันไม่หยุดตัวมันเลยมันเก่อเกิดปัญหาตลอดเวลาเป็นตัวทุกข์อยู่ตลอดเวลามันจะไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ไม่ได้ไหมเราจะไปฆ่าให้มันตาย ไปฆ่าตัวตายไปทำร้ายอะไรต่างมันก็สืบต่อไปเรื่อยๆมันไม่หยุดนะี่ยไอ้ตัวนี้ตัวปัญหาชัดเลยนะเอามีดไปแทงไปควันมันมันก็มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันก็สืบต่อไปเรื่อยๆเออไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แก้ที่ดูประธรรมเลยเนี่ยนะนะถึงไปจัดการมันยังไงไม่ได้เลยไม่จัดการแบบคนโง่ๆเว่ไดาหรือไม่ฉลาดไม่ได้อย่างหลายหลายคนอยู่ไหมเวลาเป็นทุกข์ขึ้นมามีปัญหาชีวิตขึ้นมากินยาตายบ้างใช่ไหมดโดดน้ําตายบ้างขับรถชน ตกหน้าผาตายบ้างทำให้เกิดเปน็นอุบัติเหตุเป็นต้นบ้างหรือบางคนไปโทษสิ่งอื่นในฆ่าคนอื่นส่งเนี้ยจัดการคนอื่นไปเสียงเน้หัวไปใหญ่เลยแต่เนี้ยนี่เขาเรียกแก้ทุกผิดวิธีนะไม่ไม่ตรงตามคำสอนซึ่งเป็นความไม่เข้าใจประดากระแสชีวิตที่มันดำเนินไปก็เลยไปแก้ทุกแบบผิดผิดใช่ไหมถามว่านอนไม่หลับเนี่ยเป็นทุกไหม <laughs> อปลนไม่เป็นเป็นหเปนเป็นทุกกายหรือทุกใจกายนไม่หลัเป็นทุกใจใจเป็นทุกไหมก็เป็นด้วยทำไมถึงเป็นถ้าสิประเด็นต่อไปก็คืออะไรเป็นปัจจัยทำให้นอนไม่หลับดาวเลยใช่ไหม ตายอย่้และแล้วก็บอกโอวันนี้เราอะไรเป็นปัจจัยนะไม่เรานอนไม่หลับเ อ, อะไรหนอเป็นปัจจัยเราไม่นอนไม่หจริงๆนอนได้ไหมร่างกายสามารถนอนเอนได้ไหมได้ใช่ไหมแต่ใจไม่หลับแล้วเวลาคนแก่เท่าไปหรื อ, อายุมากๆขึ้นก็จะถามกันเป็นยังไง คุณภาพว่าการนอนดีไหมก็จะถามกันอย่างงี้นะเออตอนเด็กๆเป็นเป็นอีกอย่างว่าอนอนไม่ค่อยตื่นอย่พอส่วัยวัยมากขึ้นนะเออการนอนรู้สึกมันไม่ไม่หลับมันตื่นอยู่เรื่อยเลยนมเป็นอะไรอย่างนั้นรู้สาเหตุไหมรู้ไหมรู้เวลาฟังธรรมะเราห่วงไหมจำมีบ้างเพราะอะไรอ่ะ มันไม่ชอบใช่ไหมถ้าใจเข้ามาฟังนิงจะชอบไหมไม่เคยชอบหรอกถ้าปัญญาดิโอมันจ ะ, ะต้องการรู้อ่ะใช่ไหมเรับรู้ตรงนี้อยากจะถามจะตอบอย่างกระปั้นตุ้มดินเพราะมีเพราะมันมีกายกับใจเพราะมีขันหน้ามันนึงมีกายไม่นอนนีู่ไหมใช่ไหมจ้ะเพราะมันมีกระแสะของชีวิตนี่แหละอาการนอนการง่วงการไม่ง่วงทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น เนี่ยอันนี้ก็คื อ, อปัญหาหลักๆก็ยิงยังไงตอบนี้ยังไงตอบอะไรก็ถูกแต่ประเด็นก็คือว่าอาถ้าสืบสาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอถ้าเราแบ่งนะแบ่งของกระแสชีวิตในส่วนของรูปธรรมอย่างหนึ่งของนามธรรมาส่วนหนึ่งเอ๊ะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันสมพันญกันไหมรูปธรรมกับ น, นามธรรมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยหลักกอนบางคนก็มาจากรูปธรรมใช่ไหม สมองมีปัญหาถูกกระทบกระทั่งร่างกายเจ็บปวดมีโรคภยัยเบียดเบีย น, ยนทั้งหลายนี่ก็เป็นเหตุทาให้นอนคุณภาพการนอนแ ย, ย่บางคนเป็นที่ใจก่อนสภาพจิตใจที่ไปวิตกกังวลฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้ก็มากระทบที่ใจด้วยเออไปไปมาเลยพันกันเลยระหว่างกายกับใจใช่ไหมก็เลยมีปัญหาโอ้ยหัวพันกันใหญ่เลยจะนอนก็นอนไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกอันนี้อันนี้จะไม่เจาะลงไปแล้ว แต่นี้นี่พูดพูดพอเป็นหลักๆกันไว้ว่าจริงๆมันก็คือปัญหาอย่างหนึ่งของชีวิตเห็นไหมว่าพอมีขันห้าขึ้นมามีกระแสะชีวิตขึ้นมามันก็เจอกับบรรดาสิ่งเหล่านี้แหละเพราะการไม่รู้และไม่เข้าใจมันเนี่ยเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยวางท่าทีทางใจไม่เป็นก็ไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆแบบนั้นได้ฉะนั้นการเรียนรู้หรือการศึกษาธรรมะจะต้องสามารถไปจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อได้ปัญญาเมื่อรู้และเข้าใจมันก็จะต้องไปสามารถไปจัดการนนะไปแก้ปัญหาแก้เหตุปัจจัยเหล่านี้ได้นะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสมุทัยเนี่ยก็คือการสืบสาวหาสาเหตุเพื่อทำกิจในการประหารดังที่ได้กล่าวและจะได้กําจัดมันเสียทีนี้เวลาค้นหาสาเหตุเนี่ยคนก็มักจะเลี่ยงหนีความจริงชอบมองออกไปข้างนอกหรือมองให้ไกลจากตัวเองไปเนี่ย หรือมองให้ออกไปจากปัจจุบันโดยมากจะมองหาตัวการข้างนอกที่ซัดทอดเนี่ยพวกเรามีปัญหาทั้งหลายเหล่านี้นะมนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็จะมองปัญหานอกตัวแล้วไอ้ปัญหาที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์เนี่ยนะไม่มองในกระแสะชีวิตของไม่มองไปที่ตัวกรรมเออไม่มองไปตัวขอไปไม่มองไปตัวที่อวิชชาคือความไม่รู้ไม่มองไปตัวตัณหา คือความทยานอยากไม่มองไปที่ตัวปาทานมี ค, ความยึดมั่นหือมั่นเป็นต้นก็ไปมองสิ่งภายนอกเลยแต่เนี้ยนะรู้สึกว่ามันจะพ้นจากความรับผิดชอบของตนเองเนะี่ยสิ่งที่ถูกซัดทอดให้เป็นสาเหตุนั้นปรากฏออกมา3ประการในพิธศาสนาที่พระเจ้าสอนก็คือปุบเพกะตาเหตุตัวท่าก็คือลัทธิ ก, กรรมเก่าพวกนี้มองแล้วพอเข้าใจว่าอิศุกทุกทั้งปวงที่ประสมในบัตรเนี่ยเป็นเพราะการบันดาลหรือเพราะ กรรมที่ทําไว้กลางปางก่อนเนี่ยไม่ว่าจะพบทุกเจอสุขอะไรก็ยกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเห็นไหมที่เป็นมองสาเหตุของกรรมเก่าอย่างเดียวเท่านั้นคือมองแต่อดีตกรรมไม่มองปัจจุบันนะครับถามว่าจริงๆเป็นเรื่องการมองถูกส่วนหนึ่งไหมถูกไม่ถูกมองว่ากรรมเก่าเป็นปัจัยเกิดสุขและทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยหรือกรรมเก่ากรรมในอดีตเป็นปัจัยเกิดทุกข์เนี่ย เป็นปัจจเกิดกระแสชีวิตในปัจจุบันมองนี้ถูกไหมถูกไม่ถูกถูกหมดไหมดมันม่มีแค่กรรมเก่าวอย่างเดียวเนอะใช่ไหมแท้จริงก็คือมันมีทั้งอวิชชามีทั้งตัณหามีทั้งอุปาทานมีทั้งกรรมนะมีทั้งสังขารมีทั้งโอหปัจจัยเยอะแยะหมดแม้ในอดีตก็ไปโทษใจกรรมนะในอดีตอย่างเดียวไม่ได้ต้องปัจจุบันนักกรรมมีส่วนไหม มีปัจจุบันนักรรมที่กระทําในปัจจุบันนีก็มีส่วนต้นหาในปัจจุบันปัจจุรรมในปัจจุบันทั้งหลายนี่ก็มีส่วนที่เป็นปัจจัยเกิดสุขและทุกข์ได้หมดเลยนั้นเวลาเข้าใจใดๆเนี่ยไปเข้าใจในแง่ใดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปยึดติดส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาก็เป็นการเข้าใจปัญหาที่ผิดพลาดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอิสระนิมานวาทะนี่ละทิละทิพระเจ้าสุขทุกข์ สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเนี่ยก็คือมีเท พ, พเจ้าดนบรันรดาลหรือมีผู้บงการนี่อิสระนี่มัมานวาทะอันนี้เสียหายเลยหนึ่นงอดีตเนี่ยโยนโยนออกนอกตัวเองเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเลยนี่เหตุแห่งปัญหาทั้งหลายไปโยนให้กับเท พ, พเจ้าไปและปฏิเสธทั้งอดีตอดีตกรรมด้วยอันนี้ไปทั้งทั้งมาจากเหตุปัจจัยโดยเองสั่งสมมาไม่เข้าใจก็ไปโทษสิ่งองื่น นี่ออกนอกตัวแล้วและปัจจุบันก็ละเลยเขาอีกเสียสองส่วนเลยเนี่ยส่วนอดีตก็เสียส่วนปัจจุบันก็เสียนี่ส่วนประการที่สามมาเหตุกาวาธานละทิชโชคคอยโชคก็คือสุขทุกข์ทั้งปวงเหล่าเนี้ยแล้วแต่โชคชะตาเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันนี้ร้ายแรงมากเลยความดีความชั่วทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยใดๆหรอกก็เลยเป็นการโยนให้ในเรื่องของ ไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นลอยๆแล้วแต่โชค ว, ว่าแล้วแต่ดวงดาวหรือว่าไปนใหญ่เลยอันเนี้นี่ผิดพลาดแล้วพระเจ้าปัดตกทั้งสามทฤษฎีนี้แต่แล้วอะไรที่เป็นเหตุที่แท้จริงเหตุที่แท้จริงก็คืออาวิชาความไม่รู้ตัณหาคือความดะยานอยากทั้งกาลมาตัณหาบวตัณหาวิบวตัณหาอุปทานคือความยึดมั่นหรือมั่นกรรมนะมีส่วนในกรรมด้วยสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้กระแสของทุกกระแสของขันกระแสของชีวิตเนี่ยมันกระดับสืบต่อนะและมันไม่จบเราไม่สามารถหรือบุคคลไม่สามารถสร้างยานปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุปัจจัยตรงนั้นได้มันก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงอาจยกตัว อ, อย่างว่ า, าท่านไหนได้ยานปัญญาชนิดหนึ่ง สมมติรู้แล้นะโอ้โหนี่มียานปัญญาชนิดหนึ่งสามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วทายานปัญญาให้รู้ความจริงของรูปธรรมแล้วก็รูปน้ำขันหา้าเห็นความจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจในะปัจจุบันและเห็นชัดมากเห็นจนท่องแท้สามารถเพิกสอนสัตว์บุคคลได้เห็นเป็นเป็นกระแสชีวิตจริ ง, รงๆเลยเข้าใจความจริงท่องแท้แล้วสาวเหตุได้สาวกกระแสชีวิตสืบต่อไปในอดีตได้เลยสาวเห็นความจริงเลย โอ้โหไปเห็นเล้ทําเหตุปัจจัยอะไรไว้เห็นว่าตัวเองทําเหตุปัจจัยในปัจปจุบันนี้อะไรเนี่ยไล่ไปตามเราก็า เ, เห็นว่าตัวเองกําลังทําเหตุปัจจัยอะไรทําด้วยความไม่รู้อย่างไรทําด้วยตัณหาอุปาทานอย่างไรทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างไรทํากรรมประเภทไหนะว่างั้นเธอปรุงแต่งกรรมรหหประเภทไหนมีพลังมากพลังน้อยอย่างไรไปเห็นความจริงของกรรมนี้ตัวเองเข้าไปเจาะเห็นความจริงตรงนั้นแล้วเห็นมากมายนะกรรมนี้ตัวเองทําเนี่ย ที่จะส่งผลให้ได้รูปได้ตาหูจะบวกเล่นกายใจได้กระแสชีวิตอีกมากมายมากกรรมที่ตนเองทําไว้ที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็หูไม่รู้ไกี่ล้านกี่ล้านกรรมกี่หมื่นกรรมก็ไม่รู้กรรมที่จะทําให้ตนเองไปเกิดเป็นสันตว์เลี้ยงฉันไปเกิดเป็นเ ป, นเปรตไปเกิดเป็นสุรกายกรรมที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเยอะแยะมากมายเลยเนีย่สารพัดเลยเนี่ยกรรมเหล่านั้นก็รอจังหวะ โ, โอกาสที่จะบวกกับกรรมปัจจุบันกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยที่มันจะพอเหมาะพอ เจาะกันยังไงพอไปเห็นความจริงอย่างนี้จะเบื่อไหมเนี่ยไม่เบื่อเพื่อที่ไม่เบื่อได้ยังไงถ้าไปเห็นว่าตนเองตายแล้วจะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยจะกลัวไหมกลัวอ้าวอย่างเงี้ยสุพรหมเทพบุตรเนี่ยสุพรหมเทพประบุตรเนี่ ย, ท, ยที่มีบริวารหนึ่งพันอยู่บนสวรรค์เช่นเดาดึงบริวารอยู่บนต้นไม้ภาคหนึ่งก็หายวุบไปไหน500ห้าร้อยเลยตาย ตายหมดเลยไปอยู่ในไหนเวในอเวจี G. แล้วรู้ว่าตนเองเนี่ยอีกเจดวันก็จะตายก็จะไปลงอเวจีถนะามว่าจิตจะสะดุ้งสะเทือนไหยเนี่ยจะกลัวไหมเนี่ยการไปเห็นกรรมเนี่ยไปเห็นกรรมนะไปเห็นเนีว่าตนเองเนี่ยเห็นอนดีตไม่พอนะเอไปเห็นไปเห็นอนาคตนะว่าตนเองจะต้องลงอบายแล้วอบายทุกติวิบารณโลกแล้วแล้วจะพ้นยังไงจากจากกรรม เนื่อจากผลข้อกรรมมันคนเองยิ่ต้องไปเจ็บปวดในสังสารวัตนี้นี่ก็เป่าบริจ้าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดทั้งกิจที่เกิดแล้วและกิจที่ยังไม่เกิดขอบริจ้าดับบอกนั้นเถดับความเร่าร้อนนี้ด้วยเออทํายังไงที่จะสามารถทํายานปัญญาให้เกิดขึ้นมาสามารถตัดวงจรของกิเลสนะก็ตัดเชื่อสักยะทิฐิเนี่ ย, ย, ย, ยไอตัวอุปาทานทั้งหลายเหล่าเนี้มีทิ่ถุปาทานเนี่ยถ้าถอนตัวนี้ได้เนี่ย ไอ้กรรมที่จะให้ผลมันหมดกําลังลงอะ่ะกรรมที่จะให้ผลลงสู่อ บ, บายทุกขติวิบารณโรกเนะี่ยมันหมดกำลังลงถ้าตัดสักยะทิถีได้ตัดเหตุทุกมันได้ตรงเนี้ยละเหตุทุกมั น, มนได้ด้วยปัญญาในอริยามรรคได้มันจะไอ้เชื้อของไอ้มันจะไม่เป็นตัวเก็บกรรมไอ้ตัวเก็บอรรุปสรกรรมเหล่านี้มันจะถูกสลายไปเลยกรรมเหล่านี้ก็จะไม่ให้ผลลงอ บ, บายทุกขติวิบารณโลกเลยถ้าไปเห็นความจริงอย่างนี้นะถ้าไปเข้าใจอย่างนี้มาปุ๊บอยากจะได้ปัญญาแบบนี้ไหม ก็ปรารถนาที่ได้ปัญญาเหล่านี้สิก็ต้องไปฟังพระเจ้าพระเจ้าก็สอนวิธีการที่จะทําให้ปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมาพระเจ้าก็สอนแนะนําวิธีวิจัยยังไงพัฒนากุศลอย่างไงพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิโดยจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นสูงสุดยังไงที่จะสามารถจัดการกําจัดไอท้ทิฏฐิเหล่านี้นะสักยทิฏฐิเนี่ยความเห็นโดยความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะ เมือม่อเมือม่อไที่เมื่อเมื่อสุพมเทพบูตรพร้อมด้วยบริวารก็ดีเนี่ยหรือสาวกปริญญาทั้งหลายที่ฟังทำเนี่ยทาปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อได้สุตตะได้ขบูลข้อมูวิจัยแยกแยะจนสามารถทําปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นและกําจัดถ่ายถอนไอตัวสักยะทิชถี่เนี่ยไอความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนลงได้อย่างราบคาบถอนได้กระทั่งรากแล้วนีด้วยปัญญาในโสดาภดิมักเป็นต้น ภัยทั้งหลายอย่างนี้เข้าถึงเลยนะหนึ่งรู้แล้วว่าเป็นทุกข์และความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไปเกิดในใบยภูมิก็เป็นทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ทุกข์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกข์เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นทุกข์เป็นการก่อทุกข์ขึ้นมาแล้วกระแสชีวิตมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ทํายังไงลําดับแรกจะดับก่อน ถ้ามันทุกในมนุษย์กับทุกในเทวภูมิทั้งหลายมันก็ยังยังพอทนเน่ยว่างั้นทั้งๆนี่เป็นทุกนี่แหละก็ยังยังจะพอเอาตัวรอดได้ที่จะเจริญปัญญาต่อไปได้ถ้าไปเกิดเป็นสันตว์นรกนี่จบเลยเนี่ยนะนี่ทำยังไงล่ะถ้าตัณหาอวิชากรรมที่ทําไว้มันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยมันตามจะให้ผลในมรณะสถานการณ์คือการใกล้าตายแล้วยาทํทำยังไงจะตัดกิเลสนีแล้วก็ตัดหักกรรมแห่งสังสารวัชยตรงนี้ได้ การที่จะนําสู่อบายทุกติวิบากในโลกเนี่ยทำยังไงเนาะเราจะถอนสลักมันได้เหมือนระเบิดเนี่ยเอ้ยตัวระเบิดมันตอนนี้มันมันตัวระเบิดมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้มันมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าชนวนระเบิดแล้วมันจุดแล้วไอ้ฉนวนระเบิดมันจุดมันวิ่งแป๊บแป๊บบแมาแล้วเนี่ยโอโหแตเนี่ยปัญหาแล้วสิ ถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยตายเน่ยเราก็ถูกขังอยู่นั่นเนี่ยล้วก็ออกจากที่ตรงนั้นไม่ได้ตายไหมเงี้ยโอ้ถ้ามีใครสอนวิธีการดับชนวนระเบิดให้กับเราเราชื่นใจไหมหรือการแก้ไขการละวิธีกําจัดไอ้ชนวนระเบิดเนี่ยไม่ให้มันมาระเบิดโอ้โหนี่<ม>ก็ชื่นใจพระที่เจ้สอนวิธีการก็จัดการใช่ไหมวิธีการที่จะทําให้ เอออีชนวนระเบิดมันมาปุ๊บแล้วมันดับมันดับก่อนเอออย่างเงี้ยนะและ้วนั้นก็ไม่ต้องระเบิดนี่ก็ต้องไม่ต้องลงอบายทุกขติวิธิบาท น, นละลกอันนี้ก็อุ ป, ปมาฉะนั้นตรงนี้นี่แหละการมีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงของทุกแล้วไปเห็นความจริงของทุกขสมุทัยเนี่ยแล้วไปเห็นความจริงอย่างนี้ก็คือทุกขอนิโรธถ้าดับได้เป็นทุกขอนิโรธวิธีการเนี่ยแหละเป็นมักไอตรงเนี้ยยากหน่อ เป็นเรื่องใหญ่เลยวิธีการเนี่ยว่าจะจัดการยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะที่จะไปละไอตัวกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการตรงเนี้นี่เป็นอย่างนี้เอาละตรง น, นี้ก็ตอนนี้ก็จับประเด็นเรื่องสมุทยัยวิธีกรรจัดอวิชากำจัดตัญหาก็กล่าวแบบคร่าวๆนี้ ยังไม่เจาะในรายละเอียดวันนี้เลยสภาสวะสดังวรสูตรหรือสภาสวัสสูตรเนี่ยก็เลยได้แค่เพราะท่านไปกล่าวไว้ในตอนท้ายเรื่องอริยศัสตร์ก็เราได้พูดเรื่องทุกไปนิดหน่อยก็พูดเรื่องสมุทยัยพอสมควรเก่เวลาอ mm hmm. ันนี้ไปทำกิจอย่างอื่นต่อวันนี้สมควรเกเวลา